ขอความสุขความเจริญจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุกมกำลังนําเสนอเรื่องที่พระสาริบุตรเทระเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังถึงสมัยที่ท่านเป็นดาบทนามสสุรุจิดาบุตร สมัยพระโนมาทัดสีสมสัสมพุทรเจ้าก็อยู่ในช่วงที่ท่านกราบทูลต่อพระโนโมพระโนมาพระโน ม, โนมทัดสีสมาสมุทธเจ้าว่าผู้ใดตอาข่ายเล็กๆ ล, ล, ล, ล้อมน้ำไว้สัตว์น้ำบางเหล่าพึงเข้าไปภายในข่ายของผู้นั้นได้ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าเดทีมากมายบางพวกก็ฉันนั้นเหมือนกัน แล่นไปสู่การยึดถือคือชิตชิถูกทิฏฐิปรามาตยทาำให้หลงยิรธีเหล่านั้นเข้าไปภายในข่ายด้วยพยานบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งมีปกติเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายว่าอะไรกางกั้นไม่ได้หาเกาล่วงพยานของพระองค์ไปได้ไหมนี่เป็นการพูดเทียบเคียงถึง พวกอัญญาดดรธีคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนากันแล้วกันในสมัยของท่านที่ท่านเป็นสุริจิดาบทนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอัญญาเดรธีมีสักเท่าไหร่หรอกแต่มันก็แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งว่าลทัทธิความเชื่อต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันเราก็จริงแล้วก็เป็นไปตามชีคโคเชื่อ เขาเชื่ออย่างไรเขาก็ยึดถือของเขาอย่างนั้นตราบใดที่ใครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อดังเดิมของเขาได้เขาก็ยึดติดอยู่อย่างนั้นพรามจริงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรในเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันถ้าถามว่าสังคมบ้านเรามีความเห็นแตกต่างกันไหมก็บอกว่าแตกต่างกันทั่วโลกนั่นแหละ คือไม่มีที่ใดที่มีความเห็นในเรื่องเดียวกันแล้วก็ตรงกันทุกๆ ก, กรณีความขัดแย้งกันในสังคมจึงไม่อาจที่จะยุติลงไปได้รทั้งร้อยปอาจจะทำได้บางระดับเท่านั้นเองอัญเชเดียติ น, นในที่นี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิปรามาตแปลปว่าลูกครัมด้วยทิฏฐิคือความเห็นของตน ใคร่กายกับสิ่งเหล่านั้นตัวเองพอใจรักใคร่มากก็นำมาลุกคลั่งด้วยความหวงด้วยความห่วงแล้วไม่ต้องการที่จะให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนลุกคลั่งอยู่นั้นทิฏิกก็คือความเห็นก็ปรากฏออกมาในด้านต่างๆเช่นทิฏิกใหญ่ๆก็เป็นเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัต เรื่องกรรมก็ถือว่าการกระทาไม่เป็นการกระทําถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุแล้วก็ถือว่าในโลกนี้ไม่มีการผลของการให้ทานก็ไม่มีผลของการบูชาก็ไม่มีผลของการบวงสรวงพิธีกรรมต่างๆก็ไม่มีการกระทําทั้งดีทั้งชั่วนั้นไม่มีผลอะไร แม่ไม่มีโลกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีโลกไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ตายไปแล้วเกิดอีกไม่มีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นในบุคคลอื่นได้รู้แจ้งตามไม่มีอันี่ก็เป็นทิฏฐิที่ค่อนข้างทาวรอยู่ในโลกมนุษย์จะอยู่เมื่อร่ก็ไม่รู้ทุกวันก็ยังอยู่เรียบร้อยครบหมดทั้งสามอย่างในส่วนชีวิตหลังตายนั้น ก็ยึดถืออยู่สองแนวแนวเดิงก็ถือว่าชีวิตจบลงที่เชิงตะกอดเกิดหมายความมาขาดศูนย์ไปเลยก็เราเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวอีกพวกหนึ่งยังมีความเห็นต่างออกไปว่ามีบางอย่างไปเกิดบางอย่างไม่ได้ไปเกิดแล้วก็พวกนี้ยังย่อยออกไปอี ก, อกมาก อีกพวกหนึ่งก็ถือว่าคนเราตายแล้วเกิดอีกแต่ว่าตายจากอะไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีการจุติแปรผันซึ่งก็เป็นการไม่ใส่ไปเสด็จผลบุญผลบาปไปด้วยในตัวแต่บางพวกก็ถือว่ามีการจุติแปรผันได้จุติแปรผันไปเพราะอะไรกระเจนว่าศาสนาบางศาสนาที่เผยแพร่กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีความเชื่อว่า วันพิพากษานั้นมันก็ขึ้นอยู่ชีพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการให้เราตกนรกหรือว่าขึ้นอยู่สวรรค์กับโพระองค์่วยในรันรอนหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติของเราในปัจจุบันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับมันขึ้นอยู่กับความพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าของพระผู้เป็นเจ้านะฮะที่ดีที่สุดก็คือประจบพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้ ทำตัวเป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้วิรวัณพิภาษาเมื่อพระองค์พอพระไทยพระองค์ก็จะโปรดให้ไปดําไปอยู่ในสวงสวรรค์กับพระองค์ชั่วในรันดอนนะก็วความเชื่อในลัทธิต่างๆก็แนวนี้เพราะเราจะเห็นว่าความเห็นของอัญญาตยถีมันเป็นความมืดที่ ใครพยายามสองขึ้นในกลางวันมันก็ไม่สามารถจะปิดบังแสงสว่างของพระอาทิตย์ได้พระยานของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ติดขัดอยู่ในเรื่องอะไรเรียกว่าทะลุทะลวงความเห็นผิดตั้งหลายไปได้ความเห็นผิดต่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนั้นพระพุทธเจ้าสามารถอธิบายชี้แจงให้เกิดความเข้าใจได้ แต่บางอย่างเนี่ยพูดไปประท้อนนั้นน่ยคือหมายความว่าข้อก็ไม่เปลี่ยนแปลงอีกผู้เรียกว่าอันตรายกัทิชิคือถือว่ที่สุดต้องเป็นอย่างนี้โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นศิระอันนั้นชีพอันอื่นสิริะอันอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกย่ไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดดีก็หาไม่ได้ไม่เกิดดีก็หาไม่ได้เลยเนี่ย มันก็เป็นความเห็นที่ถือที่สุดอย่างนั้นหมายความว่าใครจับหนึ่งก็คือยึดหนึ่งับสองก็ยึดสองจับสามก็ยึดสามอย่างนั้นมันก็กลายเป็นทิฏฐิออกไปเป็นสิบพวกด้วยกันแกก็ไม่ปล่อยไม่วางหรอแกแต่เป็นเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิแต่ว่าถ้าเราเรียกในลักษณะรูปพรัมคือยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ก็เรียกว่าทิฏฐิปรามาต ที่ประมาทคือลูกครามโดยอำนาะจองามชิดชิทีนี้ท่านได้กราบทูลว่าแต่ได้เล่าว่านะได้เล่าว่าสมัยนั้นพระพุทธมีพระเจ้าพระนามว่าอนุมทัทัศสีผู้ทรงมีพยจใจผู้ทรงชำนากิเลสเสด็จออกจากสมาธิแล้วทรงสวดดูชิดคือตอนนั้นตอนที่รู้จ่าเสด็จเนี่ยท่านเสด็จมา ลำพังพระองค์ในตอนแรกแล้วก็เข้าสมาบัติไปตอนออกมาจากสมาบัติก็กาหนดพระไตรเรียกพระนิสพะกับพระสงฆ์อีกจำนวนมากเหลือเกินให้มาพบพระองค์ปรากฏว่าท่านเหล่านั้นก็เลรียนรอยมาทางนาากาศแล้วก็มาปรากฏอยู่ต่อพระพักของพระองค์ ทีนี้คุณสมบัติที่ท่านเล่าเนี่ยเปนเป็นคุณสมบัติทั่วไปแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่กมีประโยชน์ใหญ่ประโยชน์ในทิศนี้ก็คืออิสย์ศความเป็นใหญ่เหนือสรรพกิเลสทั้งหลายแล้วก็มีบริวารมากมีพระเกียรติคุณกว้างใหญ่ไพศาลแผ่ไปทั่วทิศานุชิต ่าจะกําหนดขอบเขตได้ว่าไปถึงไหนเพราะว่าเราก็พิสูจน์ไม่ได้นะฮะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเออที่เมืองนี้สวรรค์ชั้นนี้เขารู้จักพระพุทธเจ้าไหมเมืองนี้รู้จักไหมเนี่ยเราก็ตามไปพิสูจน์ไม่ได้แต่สรุปว่าพระเกียรติคุณนั้นแผ่ไพสาลไปในสากลและจั ก, กรวาลเป็นที่รับรู้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปุถุชนทั้งหลายจึงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เอาชนะกิเลสก็คือสรพกิเลสต่างๆทรงทำลายด้วยพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาสวะข ย, ายานันแตะยานที่ทำอาสวะให้หมดไปสิ้นไปแล้วก็พระนิสสภคืออักษาวกของพระพุทธเจ้านี่ก็แวดล้อมด้วยภิกษุก็ท่านบอกเป็นตัวเลขไว้นะว่าแสนรูปแต่นี้ก็เป็น วิสัยของผู้มีฤทิ์คือเราคิดเองไม่ได้มันเป็นวิสัยของผู้มีฤทิ์ที่ท่านจะไปไหนมาไหนได้ตามความต้องต้องการของท่านผู้มีจิตสงบอันนี้ก็คุณสมบัติของพระอราหันต์ของพระพุทธเจ้าคือของใครก็ตามที่มีกิเลสมันลดลงนะฮะที่จริงเราก็สงบเราก็สงบได้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านสงบระดับศีล เป็นการสงบเวรสงบภัยสงบอันตรายไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการต่อสู้ไม่มีการประทุษร้ายกันไม่ร่วงละเมิดกันก็สามารถสงบได้คือสรุปแล้วว่ามันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลแต่เมื่อจิตเราตั้งไว้ในทางที่ชอบแล้วก็แสดงว่าเริ่มเดินไปสู่เส้นทางสายนั้นแหละเพียงแต่ว่าไปได้ขนาดไหนละ่ะ อาจจะเริ่มต้นเดินทางอาจจะเดินไปได้ระยะหนึ่งแล้วอาจจะไปถึงครึ่งทางอาจจะยังใกล้ปลายทางเข้าไปแล้วหรืออาจจะถึงปลายทางแล้วไอ้ น, นี้เป็นเรื่องจิตของแต่ละคนไม่มีใครจะรู้ใครแต่ละคนก็รู้รู้แล้วก็ไม่บอกใครด้วยนะฮะคือบอกกล่าวไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นอุตริมนุสธรรมคือธรรมะที่เหนือวิสัยของมนุษย์ ที่จะหมายความมัสูงสุดในหมู่มนุษย์ใครเข้าถึงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นผู้สูงสุดสิ้นอาสวะแล้วก็คือสิ้นกามาสวะภวาสวะวิชาสวะก็ทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ได้พิญญาหกพิญญาตามปกติหนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาพูดถึงพระนิสสภกับพระอรหันต์ที่เป็นบริวาร จึงพูดถึงอภิญญาหกก็เพิ่มอาสวัคยานเข้าไปน้อนั้นก็มโนปยิทธิอิ ท, ทิวิธิที่ประสูจ์เจโตปริยานผู้เปในวางสาติยานแล้วก็อาสวัคยานท่านเหล่านั้นทราบดำริของพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกของโลกคือเป็นผู้นาของโลกพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าโลกกนนายกนะฮะ โลกนายกโลกนาตโลกเชตอะไรต่างๆที่เป็นคำเรียกก็ เ, เรียกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละเรียกทำนองเดียวกันพระสาวกเหล่านั้นยืนอยู่บนอากาศได้ทาประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระคองอัญชลีนมัสการลงมาเฝ้าณนะสำนักของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระเจ้าทรงประนามอนุมัตสี ผู้ทรงเป็นเชษฐบุรุษของโลกคือเป็นพี่ชายคุณโตรของชาวโลกหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่คนทั้งหลายผู้องอาจในหมู่นราชนหมายความว่าหมู่คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะพระอระหรันตมา ส, สมุทยัยเจ้าเนี่ยองอาจที่สุดเป็นผู้ไม่สะดุง้งในหมู่ผู้สะดุ้งทั้งหลาย หมายความว่าใครจะสะดุ้งอะไรอย่างไรกันก็กสะดุ้งไปแต่ว่ากิเลสเป็นเหตุให้สะดุ้งมันไม่มีคือคนที่สะดุ้งเนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสแต่คนไม่มีกิเลสหรือไม่มีความชั่วหรือไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องสะดุ้งสะดือนอะไรเขาอาจจะเล่นการรุนแรงจนถึงกับมีการปฏิวัติรัฐประหารจนมีการจะลาจนมีการเข็นฆ่ากัน มันก็เป็นเรื่องกิเลสของเขาก็สั่งเขาเขาก็รับใช้กิเลสเราไม่ได้มีปัญหาไม่มีพวกไม่มีเพราะไม่รู้สึกแบ่งแยกอกับใครๆข้อเหล่านั้นก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาเราก็ทําใจเป็นอุเบกขาแล้วก็ทรงชำนากิเลสก็ข้อความก็ซ้าบ้างนะเพราะว่าคุณของพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนะั้นแหะ แต่อย่าลืมว่าการชำนากิเลสเนี่ยมันเป็นเป็นสถานภาพของท่านหมายความมาพอเห็นปั๊บมันเราก็เห็นปัญญาบริสุทธิ์กุณาทุกทีทีนี้เมื่อสิ่งนี้ปรากฏเนี่ยหมายความหมาสับกิเลสที่มีชื่อยังไงก็ช่างไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะปัญญามาเป็นดับที่อวิชชาซึ่งเป็นตัวรากงาของสับไปกิเล โลกธัต์ของท่านก็มีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏคือพระพุทธเจ้าพระหานท่านไม่ยิ้มนะแต่เขาก็เรียกว่าทรงแย้มพระโอษฐ์หมายความว่า ยิ้มน้อยๆนะยิ้มน้อยๆแต่พระพระพักก็บึกบานอยู่ตลอดอมันส ง, งบเย็นอยู่ตลอดแต่ว่าแย้มพระโอ์เนี่ยก็หมายความว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะส่งแสดงในโอกาสต่อไปภิกษุนามว่าอรุณะปูประถานของพระโนมันทตสีสาสดา โฮมพาช่วยงบา่าครั้งหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นายกของโลกว่าคาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรหนอแลเป็นเหตุให้พระาศาสดาทรงแยมประโถธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นไม่ทรงแย้มประโอ์โดยไม่มีสาเหตุนี่ก็แสดงว่าอุปถากเนี่ยท่านพระอรุณนี่ท่านเห็นว่าจะต้องเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จะรับสั่ง พระบุมีพระเจ้าผู้ทรงเป็นเชษฐบุรุษของโลกผู้ทรงองอาจในหมู่นเรชนประทับนั่งในท่ากลางภิกูุสงฆ์ได้สัตว์ประกาศานี้ว่าดาบดได้บูชาเราด้วยดอกไม้และกล่าวชุมเชยยานของเราหนึ่งเนืองเราจะประกาศดาบดนั้นเจอทั้งหลายจงตั้งใจฟังคำเรากล่าเเวเถิดเจวดาทั้งปวงพร้อมด้วยมนุษย์เหล่านั้น ทราบพระดารัสของพระพุทธเจ้าแล้วจึงมาประชุมกันประสงค์จะฟังพระสัจธรรมจึงเข้าไปเฝ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าหมู่ทวยเทศผู้มีฤทธิม์มากเหล่านั้นในหมื่นโลกธาตุประสงค์ที่จะฟังพระสัจธรรมจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคือหมายความว่าเป็นอะไรละ่ะข่าวที่บรรลือไป ให้ความมเทวดาก็รู้เทวดาก็บอกดนดนใจของมนุษย์ให้รู้พวกมนุษย์ทั้งหลายพวกเทวดาทั้งหลายก็มากันโดยประสงค์ที่จะได้ความธรรมอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในเมืองแล้วก็ตอนนี้ก็เสด็จอยู่ในป่าหิมพานต์ก็เพื่อมาโปรดท่านดาบดกับบริวานนี่แหละแต่ก็อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะว่า พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันแต่ว่าตอนที่ท่านเป็นสารภาพดาบทก็ได้บูชาพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ได้บูชาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสันเริญพระญาณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าชื่อไม่เหมือนกันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการจดจารึกก็ได้นะฮะอาจจะเป็นชื่อที่เรียกอยู่หลายชื่อก็ได้ ก็ถ้าดูถึงศัพท์ไปสุรุจิแปลว่ายินดีในสิ่งที่ดียินดีในความดีก็เป็นเอกมิตกน า, ามก็ได้คือว่าท่านไม่อธิบายไว้ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมชื่อจึงเปลี่ยนไปท่างๆทงี่จริงๆเดิมท่านชื่อว่าสรพังคะแล้วก็คนที่แห่กันมาเนี่ยอย่าลืมว่ามากันไกลแล้วก็พูดถึง อธิบายถึงคนเป็นนั้นมากที่ตันลาเอาไว้เราก็ดูคือถ้าดูตามนี้บ้านเมืองก็แสดงว่าเจริญนะเราคนเองก็มีความพรั่งพร้อมมีความใส่ใจสนใจในเรื่องศาสนาเราจะต ร, งระงเกษนาคือผลช่างผลมา้าผลรถผลราบจากแวดล้อมผู้นี้เป็นนิด ออนี้นี้คือองค์พระพุทธเจ้ารับสั่งรับสั่งว่าในโอกาสต่อไปนะโอกาสต่อไปเนี่ยคือตัวดาบทเนี่ยตัวดาบทจะถูกคล้อมล้อมด้วยจตุรงคินีเสนาคือสมัยนั้นก็มีผลช้างผลมา้าผลรถผลฐาน ร, ราบก็มีสีประเภทนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ดนซีหกมื่นกรองที่ประดับสวยงามจากบำรุงผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหญิงสาวหนึ่งหมื่นหญิงสาวหนึ่งมื่นหกพันนางประดับประดาอย่างสวยงามมีผ้าและรอนันวิจิตสวมสร้อยมุกดาและใส่ต่างหูแก้วมณีเหล่านารีผู้มีหน้าแล่มแช่มชอยยิ้มแยม้มอะไรละ่ตะตาโพกผายลายพึง เราวางร่างน้อยจากแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคือผลของการบูชาเนี่ยอย่าลืมไว้ใจเนี่ยคือพระพุทธเจ้าประทับนั่งเข้าสมาธิอยู่นะทีนี้ท่านก็นั่งปฏิบัติโดยความศรัทธาเลื่อมใสิตใจก็สงบความสงบก็ต่อเนื่องแล้วก็พอดีท่านได้ปัญญาด้วยต่านได้พัน อภิญยาจิตใจท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรเพรนก็เรียกว่าบุญก็เต็มเปี่ยมเพราะว่าความต่อเนื่องความหลังไหลของบุญที่ต่อเนื่องอยู่นี่ยเพราะฉะันอย่างที่เราเรียงว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาเราเจนว่าศีลเนี่ยมันก็ตราบเท่าที่เรารักษาบริสุทธิ์ศีลเราก็บริสุทธิ์จะเป็นกี่วันก็ไม่รู้บางทีก็อาจจะไม่ได้สักวันนึงก็แล้วแต่ ทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมะตราใดที่เรามีธรรมะเราก็มีบุญเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจิตทีนี้ถ้าเรามีสมาธิมักรึกหมายความมาตราเท่าที่เราอยู่ในสมาธิบุญมันก็ต่อเนื่องกันอยู่ไปทีนี้ถ้าท่านจะเข้าฌานเข้าสมาบัติก็ไปกันใหญ่เลยีีน้แต่กันเจ็ดวันเลยทีนี้พอไปถึงจุดหนึ่งคือบรรลุพระผลเป็นพระหันเนี่ย เลยบุญเลยบาปไปแล้วเขาพูดในระดับของโลกิยธรรมกระหรันธละบุญและบาปตายแล้วแต่นี้ตัวดาบทที่ทำหน้าที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะรับการห้อมล้อมด้วยบริวารเหล่านี้ก็แน่นอนภพชาติต้องช่วยพพชาติจะต้องเป็นอะไรล่ะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมเป็นอะไรเนี่ยนะคือคือจะมีบริวารเหล่านี้แต่เป็นพรหมพวกผู้หญิงทั้งหลายที่ว่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรผลช้างผลมา้าพลรถก็คงไม่มีก็แสดงว่าพูดถึงการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกับพูดถึงการเป็นพระราชนาประวัติสมบัติในลักษณะนี้การบำรุงบำรเรนในลักษณะนี้มันอยู่ที่ผู้ยิ่งใหญ่ในในโลกมนุษย์ แล้ท่านบอกว่าผู้นี้จะรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดหนึ่งแสนกับหนึ่งแสนกับนะฮะอยู่ที่เทวโลกจยากได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในแว่นแผลงหนึ่งพันครั้งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกหนึ่งแหนหนึ่งพันครั้งไป่อยลืมเมื่อเวลาเนี่ยมันหนึ่งแสนกับจยากได้เป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัตจะสมบัติหนึ่งพันครั้ง จะได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบู์โดยคณะนับไม่ได้ครั้นถึงพบสุดท้ายเขาจักถึงความเป็นมนุษย์จะครอดจากคันของนางพรามณีนามว่าสารีในหน้านี้จักปรากฏโดยชื่อสารีบุตรโดยโคตรตามชื่อแห่งมานดาจักมีปัญญาคมกล้าจักเป็นผู้มีความกังวลละชิงศัพสมบัติในที่นี้บอกนะแปสิบโพดน่ยวบว คือแสแบงหาสันติบททั่วแผ่นดินหลังจากนั้นก็ส่งทานายต่อว่าในกับอญหาประมาณไม่ได้แต่พัสระกับนี้พระศาสดาพระนามวโคดมโดยพระโคดจึงทรงสงบในวงของพระเจ้าโอกะกากราจักเสร็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จะเป็นโอรสผู้เป็นธรรมธายาของพระศาสดาพระองค์นั้น ควรทำในระมิตรแล้วจากเป็นอักสาวกมามาาแม่นามบริสุทธิ์แม่น้ําภาคีรชีแม่น้ําพาคีรชีนี่เป็นแม่นม้ําแม่น้ําคงคานะต้นน้ํามแม่น้ําคงคาอยู่ข้างบนเขเรียกพาคีรสนะฮะพาคีรสภาคีรธาเขาเรียกว่าไหลผ่านเสียนพระศิวะลงมานี่ความเชื่อเป็นตํานานเขาเรียกว่าเทพปกะการน คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพเจ้าเรื่องขอให้แม่น้ำคงคาเสด็จมาสู่โลกมนุษย์พรโลกมนุษย์แห้งแล้งแต่ใ น, นขณะเดียวกันก็กลัวว่าลงมามากแล้วก็น้ำจะทำลายโลกเราทำให้แระสิวะต้องเอาเสียนไปรองรับไว้แล้วก็ตามลงมาจากนั้นก็กลายเป็นภาคีรถเป็นเขาบอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์มากนะข้างบนนั้นแต่คนเ้าก็ซื่อสัตย์ นายความว่าบางทีก็เดินไปแล้วก็เอาน้ําใส่ภาชนะลงมาจําหน่ายข้างล่างคือไม่ไปแอ บ, บตากน้ําที่อื่นหรอกเขาก็ซื่อสัตย์สุจริตเขาก็ทําบุญจริ ง, รงๆก็าศรัทธาในแม่น้ําตรงนั้นจริงๆบนเส้นทางของแม่ประคงคาข้างบนนะครับนี่ในพูดถึงขอยมาลายหมายความว่าต้นน้ําคงคาก็อยู่แถวนี้แต่จะจะอยู่ช่วงใดนี่ก็ไม่ได้บอกไว้ ที่นี้ทั้งก็บอกว่าย่อมไหลไปถึงมหาสมุทรยังพ่วงน้ำใหญ่ให้เต็มฉันใดภาษาริบุตรก็ฉันนั่นเหมือนกันจากเป็นผู้องอาจอาจหารเป็นผู้แกล้วกล้าในไตรเพศจะถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมียังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำสำราญนี่ก็เป็นการเล่าประวัติ ว่าต่อไปเวลาเกิดเป็นประสาริบุตรเนี่ยดาวบทคนเนี้ผัวผ่านไปหนึ่งแสนกับแล้วก็ในพัตรกะที่มีพระพุทธเจา้าทรงประนามโคตมาประสาริบุตรก็จะเป็นพระสาริบุตรอย่างที่เรารู้กันแล้วก็พูดถึงคุณสมบัติมันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งว่าความเชื่อของพราหมณ์ในแนวที่เรียกว่าพรหมลิขิตเนี่ย แต่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่ากรรมมันลิขิตคือกรรมมันกำหนดเอาไว้แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงประนามอนนมัติสีนี้ทรงรู้ด้วยพยานโอยจะเลยหมสังสารวัตมันไม่แน่มันเล่นหนึ่งหนึ่งแสนกลับอย่างนี้บางชาติเราอาจจะไปสมาคมกับคนพานไปพบคนพานอาจะทาชั่วกระได้แต่เพราะว่าพัฒนาทางจิตมันสูงมาก แล้วก็ไปอยู่ในฐานะตําแหน่งที่ไม่มีควาจะเป็นอะไรจะต้องทําความชั่วเพราะเป็นเป็นเป็นตําแหน่งอะไรล่ะเป็นตําแหน่งพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นตําแหน่งของจอมเทพเป็นตําแหน่งของพระราชาอะไรเนี่ยตําแหน่งแต่ละตําแหน่งเนี่ยเว้นไว้แต่พระราชาบางบางช่วงบางพบแต่ว่าอายุสมัยอะไร ต, ต่างๆเราก็ไม่รู้อีกนะฮะเรื่อง ไม่ว่าสักกี่โกรปีแล้วพระเจ้าทรงรู้ว่าคนเนี้ยต่อไปจะเป็นอย่างนี้อย่างอย่างนี้นแล้วก็เป็นจริงทีงนี้ก็สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าที่เขาบอกกับพรมลิขิตเอาไว้เนี่ยพรมลิขิตเอาไว้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความเชื่อของคนจีนที่ว่าฟ้าประกา ศ, ศิทธิมาอย่างนั้น เป็นความประสงค์ของฟ้าเป็นความต้องการของฟ้าคือสรุปว่าทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนําคนมากําเนิดที่แตกต่างกันนั้นเราเรียกว่ากรรมพวกนี้ก็เรียกว่าพรหมบางผู้หนึ่งก็เรียกว่าฟ้าก็เรียกว่าอะไรก็ตามก็สรุปว่าสมมุติทั้งนั้นแหละชื่อชื่อตัวนี้เป็นชื่อที่สมมติเอาแต่กรนี้มันมีความชัดเจนฮะชัชัดเจนว่า ผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเหตุเนี่ยอยู่ที่คนผู้กระทําหมายความว่าเขาก็ต้องการผลยังไงก็ต้องสร้างเหตุอย่างนั้นถ้าเขาไม่ได้สร้างเหตุจากนั้นมาผลเหล่านั้นก็จะไม่บังเกิดขึ้นแก่ตัวเขาแล้วท่านก็เล่าต่อไปนี้พระพุทธเจ้าอนุมัติสีเล่านะฮะตั้งแต่ภูเขาหิมาวันจนถึงมาสมุทรสาครในระหว่างนี้โดยนับทรายนั้นนับไม่ช้วน การนับสายนั้นอาจยันับได้โดยไม่เหลือฉันใดที่สุดแห่งปัญญาของระสาลิบุตรจักไม่เป็นฉันนั้นเลยก็หมายความเมื่อตั้งคะแนนไว้เนี่ยสายในแม่น้ำคงคาพึงสิ้นไปคือทนนับได้ตลอดแต่ที่สุดแห่งปัญญาของระษาลิบุตรยังไม่หมดเลย มาความนับทายในคงคานาชีนี่หมดไปแล้วตั้งแต่พาขี่รถมาลงมาถึงเนี่ยปากน้ำที่อะไรละทีกันกะต้าเนี่ยแม่น้ำอะไรอุกลีเขาเรียกอุกลีนี่ก็เคลื่อนในมหาสมุทรโดยจะนับก็นับไม่ท้วนฉันใดที่สู่แห่งปัญญาของพระสารีบุตรจักไม่เป็นสันนั้นเลย นี่อย่าลืมว่าที่พระสาริบุตรสันเสริญพระญาณของพระพุทธเจ้าอนุมาทศีนี้สันเสริญอุปมาในลักษณะอย่างนี้หมายความว่านับไม่ได้แม้จะตั้งคะแนนเอาไว้เนี่ยหมายความหมาคะแนนมันหมดไปแล้วคะแนนก็อะไรล่ะคล้ายๆกับเรามีเม็ดทราย เอาเม่ทายมานับไว้สักร้อยสองร้อยสาร้อยเราจะอะแล้วาก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็นับไปเรื่อยๆเอาเม่ทายหมดไปก่อนอยังยังนับไม่หมดเลยนั่นก็แสดงให้เห็นถึงปัญญาเป็นการเทียบเคียงปัญญาของมนุษย์ภาษาดิบุตรนี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคือในพระสูตรไี่เรียกว่าแต่อ่านพระสูตรที่ระษาดิบุตรแสดง เจนจุนิเทศหมานิเทศไปสัมพิธามักตลอดถึงอาพิธรรมเนี่ยยากยากสุดๆเลยลึกซึ้งสุดๆเลยเป็นการแสดงธรรมที่ละเอียดเอามากๆในแง่ของความจริงแม้เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยก็ไม่แสดงแบบละเอียดอย่างนั้น แต่ว่าท่านคงจะต้องการจะให้คนฟังในเข้าใจในเชิงปริยัติว่าผลาการนิบัติจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้ปัญญาจะมีลักษณะอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอเยอะแม้ปัญญาคาเดียวนะฮะคาเดียวเนี่ยบงทีครึ่งหน้ากระดาษความหมายเดียวคือคำวมาปัญญาแต่ปัญญามีความละเอียดละไมที่แตกต่างกันมีหยาบกรางละเอียดที่ไม่เหมือนกัน เพ่ท่านก็เอามารวมไว้ทั้งหมดเลยในหมวดเดียวเ่นสุภูตเราพูดเรื่องสมาธินี่เสร็จแล้วก็ขยายบัญญายไปมีความหลากหลายมีความลึกซึ้งก็ถ้าจะอ่านให้เกิดความเข้าใจนะอ่านพอเข้าใจไม่ใช่บรรลุคือเราก็ต้องใช้เวลาเยอะ อ่านไปคิดไปแล้วก็ไปดูที่อัตถกาถาดูที่ดีกาของอะไรแต่ไรต่างๆอะไร ต, ตรงนี้คืออะไรกันแน่เพราะจะปรึกษาปรึกษากันในหมู่นักศึกษาธรรมะโดยการเอาข้อจริงก็ไม่มีใครแตกฉานในเรื่องเหล่านี้หรอกถึงจะมีก็หายากนะยังมีก็หายากเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเอามากๆแล้วเราเห็นกระบวนการของธรรมะ ตามที่ท่านแสดงเออลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ภาษาดิบุตรจากยังประสัมพุทธสัมมาสัมพุเตจ้าปนามะโคโคโดมผู้ทรงประเสริฐกว่าเจ้าสากยะให้โปรดปราณแล้วจากถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีและจากเป็นอักษาวกจากยังธรรมจักชี้พระผู้มีรภาคเจ้าผู้สากยะบุตร ผู้คงที่ให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตา้โดยชอบคือหมายความว่าคนที่แท้ธรรมจักได้วิจิตพิสดารเนี่ยตามเสด็จรออยู่คนบาทพระพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดนั่นก็คือภาษาลิบุตรหมายความว่าสามารถที่จะอธิบายธรรมจักให้เป็นไปได้โดยวิจิตพิสดาร ก็ฟังพระพุทธเจ้ามาแล้วฟังภาษาทิบุตรก็เรียกว่าทํานองเดียวกันเด่นที่สุดแห่งสาวกบา ร, รมีญาณเด่นการประกาศถึงปัญญาที่ลึกซึ้งของพระเถระให้ปรากฏแก่โลกว่าคนระดับอากาสาวกเนี่ยสร้างบารมีไม่เบานะบารมีนี่สร้างเหลือเกินแล้วก็อุตสาหาพยายามเหลือเกินแล้วก็ เราดูประวัติของท่านไว้จุดเริ่มต้นของท่านนี่ห่างจากคนอื่นคือหมายความอากอนคนอื่นที่ตั้งความปรารถนาในาศาสนาของพระอนุมัติสีสมมาสุตเจ้าในขณะที่ท่านอื่นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็ตั้งความปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าสุมามบพทุมุตระแล้วก็บอกว่า พระโคดมผู้ทรงประเสริฐกว่าสักยะทราบทรงทราบข้อความนั้นหมดแล้วจักประทับนั่งในถ้ำกลางพิสูจนทรงแล้วตั้งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศแล้วก็ท่านบอกว่าภาษาดีบุตรผู้ได้รับการพยากรณ์แล้วได้เกิดความโสมนัสจึงเปล่งอุทานในครั้งนั้นว่า พ่อเราได้ทำกรรมไว้ดีแล้วเราได้สั่งสมบุญญาธิการไว้แต่พระนมุมาทศีศาสดาแล้วแต่ถึงที่สุดในคุณทั้งปวงนี้หมายความปีติล่วงหน้านะฮะปีติล่วงหน้าไปนาเนกะเลเป็นแสนกลับเลยแต่ว่าสาหรับคนที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับ อีกนิดเดียวเวลาอีกนิดเดียวทันเด็กเขาจะได้รับผลอย่างที่ส่งแสดงเอาไว้คือไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอืง่นกระถามาเออในพระชาติต่างๆนี่น่าจะมีจิตคิดประทุสร้ายรุนแรงกระยะลืมนะฮะสีดีวัฒนากระหบดีเพื่อนของสารพังขดาบทเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาเป็น อักษ า, ษาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันในการต่อมาก็คือพระโมคคัลลานะแต่พระโมคนะโมคัลลานะนั้นมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่จริงก็ยังข้องใจอยู่คือเราพบในชาดกเนี่ยมันไม่เหมือนกันในที่หนึ่งบอกว่าท่านข้าพ่อแม่เพราะว่าเชื่อคํายุยแยกของพันยาแต่เรื่องหนึ่งนี่บอกว่าท่านทุบตีพ่อแม่ ตามคายุแย่ของพัญญาเพื่อนตาเรามองในแง่ของบารมีธรรมแล้วเนี่ยแสดงว่าท่านไปขนาดนั้นแล้วต้องต้อ ง, ต, องต้องถอยกรูดลงมาเลยแหละแต่ทําไมท่านบรรลุธรรมได้ก่อนประสาริบุตรละทำไมท่านฟังธรรมจากประสาริบุตรแล้วท่านได้บรรลุอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะเจอในประวัติของของท่านในโอกาสต่อไป คือคนเราพอบารมีมันแก่กล้าพอนมันมีความโน้มเอียงทางใจมันเป็นอัธยาศัยเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนเหล่านั้นคือไม่คิดบาปไม่พูดบาปไม่ทําบาปอะไระเกิดในภพชาติใดก็เป็นอย่างนั้นแหะมีลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นแหะและอยู่ในศีลในธรรมมีความละอายบาปมีความลังเกยียดบาปเด็กบางคนแม้แต่มดยุงก็ไม่กล้าบี้ไม่กล้าตบนะฮะ นั่นก็แสดงว่ามันมันมันมีสิ่งที่อยู่ลึกๆภายในใจของคนเวลามีไอ้สิ่งอะไรมากระทบประสาทสัมผัสมันไปกระตุ้นไอ้สิ่งดีงามภายในใจออกมาแล้วก็วินิจฉัยอารมณ์วินิจฉัยอารมณ์คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับที่สารพังขาดา บ, บุตรหรือท่านสุรุจิเนี่ยก็พอเห็นพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าก็มาพระพุทธเจ้าก็มาแบบนักบวชคนหนึ่ง แต่ท่านทึ่งท่านอาัศจรรย์ล่ะแทนที่จะรู้สึกแข่งดีเนี่ยไม่คิดแข่งดีล่ะมันมีความรู้สึกคนเหนือกว่าท่านนะมีความรู้สึกคนเหนือกว่าท่านแต่เป็นอะไรอ่ะมีความชํานาญในหมาปริศาลลักษณะอยู่ก็ส่วนดูลักษณะของพระพุทธเจ้าก็ทําให้รู้ว่าที่คือพระพุทธเจ้าจากนั้นใจก็ไปแล้วเรียบร้อย ทุ่มเทศรัทธาลงไปเต็มที่เลยพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสักการบูชาต่อพระพุทธเจ้าอย่าลืมวาท่านท่านไม่ได้คุยอะไรกับพระพุทธเจ้านะฮะและไม่ได้คุยอะไรกับพระพุทธเจ้าแต่ทําไมท่านรู้รายละเอียดของพระพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องอยา่าณท่านรู้อะไรนั้นก็แสดงให้เห็นว่า พลินยาภายในใจของท่านทําให้ท่านสามารถถามใจตัวเองคือกําหนดดูด้วยใจแล้วก็อธิบายอธิบายาต่างๆได้หรือไม่อย่างั้นก็เคยศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้ามาแล้วก็สะสมประสบการณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามามันก็หาข้อยุติได้ว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนกันทุกประการนั่นแหละวันเมื่อ ผูเจ้าปรากฏก็สามารถสรรเสริญได้เป็นวักเป็นเวนนะฮะเราจะเห็นว่ารายละเอียดของท่านเยอะเยเยอะมากให้รายละเอียดเยอะมาก แ, แล้วท่านก็กล่าวตอนนี้ภาษาดิบุตรนะฮะภาษาดิบุตรได้กล่าวว่ากรรมที่เราได้ทําไว้ในการก่อนหาประมาณม่ได้แต่แสดงผลในอัตภาพสุดท้ายนี้แก่เราแล้วคือเล่าให้พิสูจน์ทางหลายฟัง จะว่าไอ้คําทํานายต่างๆที่พระพุทธเจ้าสุเมรำอโนมาทัศ ส, สีเขาเรียกว่าพยากรณนะฮะไม่เรียกว่าคํานายเขาเรียกว่าคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้ามันก็ปรากฏแก่ท่านปรากฏแก่ท่านในปัจจุบันบันนี้ตอนเล่านั้นก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วเราเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วเหมือนกระมังลูกสอนที่พ้นดีแล้วฉะนั้น หมายความมาการเสียดแทงด้วยด้วยกิเลสด้วยการเสียดเสียดแทงด้วยอารมณ์ต่างๆเหมือนกับลูกศรที่เสียดแทงคนก็ทอนได้แล้วเราเมื่อนั้นเมื่อแสวงหาอมาตะธรรมมันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คําว่าอมาตะธรรมก็คือพระนิพพานนะะหมายถึงพระนิพพาน เราจะเห็นว่าตอนพระพุทธเจ้าไปพบพระปัญเดวเคีก็ทรงเรียกธรรมะที่ทรงสัสรุะอมาตะธรรมคือธรรมะที่ทำผู้สัมผัสให้ไม่ต้องตายอีกต่อไปดัชนิดก็คือดับกิเลสก็คือนิพานนะฮะนิพานแปลว่าดับสงบเย็นเกิดราสัมผัสอารมณ์ก็ไม่หวั่นไหวในยะของคาความหมายของคาว่าอลาหังที่แปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลาย อาจจะห่างไกลจากอารมณ์ทั้งหลายแม้จะมีอารมณ์มากระทบก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารวมเหล่านั้นเลือกเฟ้นเจ้าและที่ทั้งปวงอยู่จึงได้ต้องเที่ยวไปในพบต่างๆเพราะว่าหมายความว่าการต้องที่อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยต้องการหาอาจารย์สักคนให้เป็นไปตามคำทํานายของคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า นี่ก็เล่าย้อนหลังไปเพราะงั้นก่อนที่ท่านตัดสินใจออกบวชกับผู้กับโกริตะหรือโมคขลานะก็เที่ยวแสวงหาขณาจารย์แต่ตอนนั้นก็เลือกผิดนะไปเลือกเอาที่สัญชัยปริภัทชกเพราะในคำคำคําที่น่าสังเกตคําที่น่าสังเกตก็คือว่าที่ท่านบอกว่ากุศลกรรมที่ท่านทําไว้ กรรมที่เราได้ทําไว้ในการอันหาประมาณไม่ได้คือผ่านเวลามันเยอะแยะเหลือเกินมิได้แสดงผลในอัตภาพสุดท้ายนี้แล้วแกเราเราเผากิเลส ท, ทั้งหลายได้แล้วหมายความว่ากรรมที่เป็นบาปแต่พูดถึงกรรมที่เป็นบาปกรรมที่เป็นบาปคือท่านดับกรรมดับกรรมจากขณะที่บรรลุมรรคผลอะขณะที่บรรลุเป็นพระอรหันต แตวาการรมในอนดีตรกรรมในอนดีตถ้าเขาตามมาทันเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลพระสารีบุตรก็เคยเจอนะฮะเคยเจอเจอเ จ, อ, จอผลเหล่านี้เช่นช่องท้องไม่ดีพระสารีบุตรแบบเดียวกับพระนางพระธากัจานาคือคือพระนางพิพานนะฮะโสธราพิมพาเนี่ยก็ช่องท้องไม่ดีก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับช่องท้องก็ต้อง แก้ด้วยยาคูที่หงมต้มอย่างพิเศษอะไรฉันทีเดียวหายเลยไม่ต้องฉันยาอันนี้ก็คือเรื่องของคนมีบุญแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนอยู่ในร่างกายเรานี่ยังไงเราก็ไม่ได้ทําบุญร้อยเปอร์เ็นมาเราก็ทําบุญบ้างบาปบ้างบุญมากกว่าหรือบาปมากกว่าชีวิตเราก็ต้องไปเชิญแล้วก็ในปัจจุบันขณะถ้ากว่าเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็ปนปนกันไปบุญบุญบุญบุญบาป แต่ว่าตอนนี้ไม่มีกิเลสแล้วเพราะงั้นบาปในอดีตจึงละไม่ได้นะจริงละไม่ได้จะหมดไปอย่างสิ้นเชิงก็ตอนท่านนิพพานนิพพานก็คือเขาเรียกนิพพานว่าอนุปาทิเสสนิพพานก็คือพูด ง, ง่ายพระทรหารตายอ่ะคือตามใจที่ทยังไม่ตายก็ถ้ามันตามมาทัานก็มีโอกาสที่จะให้ผลแต่ไม่มีอะไรแรงๆนะฮะไม่มีอะไรแรงๆ คนที่มาค่อนข้างแรงก็คือพระโมคคานะแต่ว่าที่ถูกโจนทุกตีที่จริงท่านไม่ ไ, ม ไ, มได้ไม่ได้นิพพานหรอกอย่างแต่ว่าบาดเจ็บไปแต่ว่าท่านก็มีฤทธิ์นะฮะสามารถที่จะสารกระดูกเข้ามาเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ไม่มีสุขภาพปราลาดม่แข็งแรงแล้วก็มาทางอากาศจากกาลสาิลามังฟ้าพระพุทธเจ้าได้ท่านก็แสดงว่า ค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงก็แสดงว่าเขาก็ตามมาทันเชียวเฉียวกันพอดอีอีกไม่เท่าไร ท, ท่านกอนิพพานนี่ก็เป็นเรื่องที่พระเถระได้กล่าวและได้เล่าอะไรไว้เยอะแต่สรุปว่ามันเหมือนกับเราศึกษาคำพีหลายๆเรื่องนะหลายๆเรื่องเพราะาประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยในโอกาสต่อไปเนี่ยบางหัวข้อเนี่ยนะหมายความว่า ถ้าเราจะเอาเป็นหัวข้อการเทศการเทศเนี่ยสมมติว่าเทศในภาษาเนี่ยเทศไม่จบเนี่ยหัวข้อมันเยอะมากแล้วแต่และหัวข้อเนี่ยมีธรรมะอยู่มากได้เกินก็เทียบแล้วก็เหมือนกับพระสูตรหนึ่งพระสูตรพระคาถาหนึ่งก็เทียบปรหนึ่งพระสูตรพระสูตรเล็กๆนะครับพระสูตรที่ไม่ยาวเท่าไหร่ต้องฟังเท่าไหร่ เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอหยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรในธรรมยมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี